ใครมีอะไรจะปุยกับหลวงพ่อไหมให้พวกอยู่วัดก่อนหลวงพ่อให้กันบ้านให้พี่ดูอนัตตาค่ะก็จริงๆตอนแรกก็ดูก็ก็เห็น เ, เห็นอกุศลเยอะค่ะก็เห็นในวันแรกๆสองวันแรกนี่เยอะมากมแล้วก็หลังจากนั้นเนี่ยก็จะค่อยๆ มีสติรู้ทันนะคะมันก็จะดับเร็วปกติคนมาอยู่วัดนะสองวันแรกะไงก็ฟุง้งเรามาจากโลกข้างนอกที่โสปลวกมัมเมมม่มอยู่ในที่สงบสงัดขึ้นใจเรายัางฟุ้งอีกสองวันวันพุธอนะ่ค่อยเรียบร้อยขึ้นพุธพฤหัสสบายวันศุกร์ก็เริ่มฟุ้งอยากกลับบ้านเลยค่ำๆวันพฤหสัสก็เริ่มฟุ้งหน่อยๆเป็นปกติ ก็มีมีเดินจงกรมก็เดินบริเวณรอบๆอบนี้ใช่ค่ะแล้วก็มันมีแมลงมก็ก็เดินเร็วจะเดินเร็ว<ม>แล้วก็เดินกลับไปถึงที่ที่ที่กุฏอ่ะคะ่ะ<ม>ก็ไปนั่งพอนั่งเสร็จมันมันเหนื่อยมันก็เห็นเห็นจิตมันแยกออกโอเฉยใดออกมามองเงี้ย<ม>ค่ะก็ก็เห็นแล้วก็หลังจากนั้นนี่มันก็รู้สึกเหมือนกับว่ามันมันแยกออกอ่ะคะ่ะ<ม>ทีนีเ้เวลาฟังทำในในในกุฏอย่างเงี้ยค่ะ บางทีฟังเสร็จแล้วเนี่ยบางทีก็ก็มานั่งนั่งเปลี่ยนอริยบทไปเรื่อยๆทีนี้มันก็บางทีบางทีไม่ทราบว่าจิตมันอยู่อันหนึ่งกายอันหนึ่งแล้วมันเห็นเวทนานี้มันคนละอันกันใช่ไหมคะคนละอันกันจิตเน่าจะรู้อารมณ์ได้ชัดทีละอย่างถ้ารู้กายก็ไม่รู้เวทนารูอเวทนาก็ไม่รู้กายรู้กายก็ไม่เห็นจิตธรรมชาติเป็นอย่างนั้นแล้วเขาจะหมุนเวียนไปเราเลือกไม่ได้ จะให้เห็นมันเป็นอนัตตานะมันทำงานของมันได้เองมันจะไปดูมันจะไปฟังมันจะไปดมกลิ่นลิ้มรสไปรู้สัมผัสไปดูธรรมารมอะไรนมันเป็นของมันได้เองมันจะมาดูกายมาดูเวทนามาดูกิเลสหรือมาดูกระบวนการทำงานของจิตที่เรียกว่าธรรมานุปาสนาอะไรนีก็เป็นของมันเองเราไม่ได้เรื่องหรอกนะดูไปมีแต่อนัตตานะ ทีนี้ไม่แน่ใจว่าดูถูกเพราะว่าดูถูกหรือเปล่าเพราะว่าฟังฟังทำเวลาบอกว่าหลวงพ่อบอกว่าพอเวลารู้เนี่ยคือให้ตามรู้แต่บางทีในช่วงสองวันหลังเนี่ยพอเรารู้ว่าเราคิดปุ๊บเนี่ยเราคิดว่าเราคิดมันดับอย่างเงี้ยไม่ทราบว่าอันนั้นก็ตามอยู่แล้วมันคิดไปก่อนแล้วว่าเรารู้ว่าคิดเห็นไหมมันตามหลังตลอดเราไม่ต้องรู้ว่าเราคิดอะไรใช่ไหมมันไม่ทันไม่จําเป็นคิดอะไรนั้นเป็นสมมติบัญญัติ เรารู้อารมณ์ปรมาสอารมณ์ปรมาสก็คืออาการที่จิตคิดเพราะฉะนั้นเรารู้ว่าจิตคิดไม่ใช่รู้เรื่องที่คิดเรื่องที่คิดคนไม่ภาวนาเขาก็รู้แต่อาการที่จิตคิดคนไม่รู้หรอกถ้าคนรู้บ่อยๆคนก็เป็นพระอรหันต์กันหมดข อ, อ, อขอโหสิยมข้อด้วยเช้คะ่ะเออขอเข้ามานะโหสิขอกันไม่ได้ข อ, ขอเข้ามา <laughs> ขอเข้ามาค่ะ <laughs> เราชอบขออโหสิกรรมอโหสิกรรมว่ากรรมที่ให้ผลเสร็จแล้วอย่างเราทำไม่ดีเนะี่ยต้องมีผลนะขอขามาก็ขอโทษขอโทษได้ถูกต้องแล้วใครจะคุยกับหลวงพ่อวันนี้พวกเราน้อยสบายสบายมากนะ้นำส ก, การ์ค่ะมีข้อสงสัยอะค่ะเกี่ยวกับนั่งสมาธิอะค่ะ คือปกติจะตื่นเช้าขึ้นมาก็สวดมนต์นั่งสมาธิแล้วก็นั่งไปประมาณสิบสิบห้านาทีอะไรยเงี้ยค่ะคือแยกกายกับจิตออกจากกันคือเห็นว่ามันแยกจากกันนะคะแล้วก็มันก็รู้สึกว่าสงสัยว่าจะทําไงต่อเพอาะรู้ว่าสงสัยมันก็คือรู้ว่าสงสัยแต่มันก็ต่อไม่ได้อะค่ะไม่ต่อหรอกเรารู้ปัจจุบันไปเรื่อยมันเกิดความสงสัยขึ้นมาก็รู้ทัน เราแยกกายแยกจิตอะไรขึ้นมานะเพื่อจะได้เห็นสภาวะได้ชัดถ้ามันรวมกันอยู่แล้วดูไม่ออกมันมั่วนี่พอแยกได้แล้วนีสภาวะอะไรเด่นในรั้ว น, นั้นแหละอย่างนั่งไปมีความสุขเกิดขึ้นรู้ว่ามีความสุขมีความสงสัยเกิดขึ้นรู้ว่าสงสัยก็จะเห็นเลยความสงสัยเกิดแล้วก็ดับไปนี่ตกอยู่ใต้ใจรักเหมือนกันเราต้องการดูให้เห็นว่าทุกสิ่งที่ผ่านมาเนี่ยล้วนแต่แสดงใจรักนะ เวลาเวลาดูใจรักต้องดูทั้งเกิดและดับปลคะหรือว่าดูอย่างใดอย่างหนึ่งก็ได้จิตแรกมันต้องต้องเห็นเกิดดับนะส่วนใหญ่ถ้าฝึกใหม่ๆเนี่จะเห็นแต่เกิดไม่ทันเห็นดับเม่มเสือไปก่อนต่อไปพอชํานาญขึ้นแล้วเห็นเกิดดับพอเก่งกว่านั้นนะจะเห็นดับดับดับดับสิ่งใดสิ่งหนึ่งนะไหวขึ้นมานิดเดียวยังไม่รู้ว่าอะไรเกิดเลยมันดับไปแล้วจะไปเด่นตัวตัวที่ดับมันไปเป็นลําดับไปนะแล้วแต่ความชํานาญของจิต อีกอันนึงก็คื อ, อสองวันที่ผ่านมาค่ะก็คือนั่งแล้วก็พอนั่งไปประมาณนึงเหมือนกั น, น่ะคะเราก็พอมันรู้สึกตัวทีคือลืมตาขึ้นมาเหมือนเพิ่งเห็นตัวเราพอตอนนั่งมันมันมันเหมือนไม่มีอะค่ะอืมเวลาตอนนั้นยังมีความรู้สึกตัวอยู่ไหมขาดสติไหมไม่ก็คือในยังพุดโธอยู่อะค่ะ อ, อ๋อได้แต่จิตมันรวมลงมานะมันตัดความรับรู้กายออกไปก็ได้ เป็นสมาธิขึ้นมาเวลาจิตรวมไม่มีกายหรอกค่ะผมนั่งตอนเช้าก็เลยไม่แน่ใจว่าตัวเองหลับหรือว่าตัวเองรวมคือถ้าไม่ขาดสตินะใช้ได้เลยจะมีกายหรือไม่มีไม่สําคัญบาทีโลกธาตุดับไปหมดเลยไม่มีโลกเลยะไม่มีพระทิดพระจานท์ไม่มีคนไม่มีอะไรเลยแต่เหลือความรู้สึกตัวอยู่อันเดียวใช่เพราะในใจก็แค่พุโทโธแล้วก็ดูไปเออนั่นแหละดีแล้วละ่ะใจมันมีสมาธิ เป็นอย่างนั้นแหละถูกแล้วละ่ะหลวงพ่อมีอะไรแนะนำทำอะไรเป็นคนช่างสงสัยนะให้รู้ทันจิตที่สงสัยบ่อยๆขอบคุณค่ะของคุณเนี่ยเวลาที่จะแยกรูปแยกนามเนี่ยนะตัวจิตเราเนี่ยอย่าไปตั้งให้แข็งนะถ้าตั้งแข็งเกินไปคล้ายๆเข้าป้อมอยู่แล้วก็คอยดูตัวอื่นเนี่ยคอยชำเลืองดูตัวอื่นแต่ตัวนี้แข็งอย่างเงี้ยอย่างนี้ไม่ได้นะตัวนี้ก็ต้องปล่อย เขาการหลงพ่อนิ่งนะคะก็พราะอดีว่าตามรู้ตามดูเท่าที่ทําได้นะคะคือเคยมากับหลวงพ่อค่อนข้างนานแล้วแหะแต่ว่าไม่ค่อยได้ส่งกันบ้านแล้วตอนนี้ก็ตามรู้ตามดูอยู่เท่าที่ทําได้นะคะแต่ว่าก็ยังมีความรู้สึกว่ามันยังไม่ได้ไปไหนหรอกแ ต, แ ต, แต่แต่ก็ดีขึ้นนะนะคะแล้วก็ตอนนอนเนี่ยมีความรู้สึกคือมันไหลไปเลยเราไม่ได้รู้สึกคือตอนที่ดูจิตแรกๆสมัยที่เอ่ฟังฟังหลวงพ่อใหม่ๆ่ ตอนนอนเนี่ยมันจะรู้สึกแบบเออถ้ารู้สึกฝันมันก็จะแวบแวบแต่หลังๆนี่คือไหลยาวจะรู้สึกอีกทีตอนตื่นตอนเช้าแต่ว่าสงสัยเออไม่ใช่สงสัยคือมีความรู้สึกว่าถ้าสมมุติอินเคสที่ว่าเราต้องตายในตอนที่เราหลับตอนนั้นแล้วเราหลงไปเลยอะค่ะก็<อ>ไปอาบายสิตรง น, นี้ก็คือต้องต้องฝึกจนกว่ามันจะรู้สึกตรนนั้นได้ใช่ถ้าฝันร้ายปุ๊บสติต้องทํางานได้เลย อ, ลอันนี้เหมือนว่ามันไหลไปเรื่อยๆคุณนั่นเราต้องฝึกตอนตื่นให้มาก ถ้าตอนตื่นเราฝึกมากใจเราจดจ่อเข้าเคลียการปฏิบัติตอนหลับมันก็จะปฏิบัติต่อเมื่อมันจะหลงไปแล้วตอนนี้ที่ทำอยู่นี่จะดูกายเป็นส่วนใหญ่อะค่ะใช่ได้ดูอะไรก็ได้นะในกายในใจเหมือนกันต้องมีอะไรต้องปรับปรุงที่จริงเราดูไตรักเพราอฉะนั้นเราจะดูกายดูใจนะถ้าเห็นใครรักก็ใจรักใช่โอเคอย่างนั้นแหละขอบคุณค่ะมัสการครับ นี่ผมไปเขาขอปฏิบัติได<ช>้มแต่ปัญหาคือปฏิบัติคนละแนวครับอแล้วก็ก็คือเขาจะมีระบุว่าให้ลองแนวนี้ก่อนอจนเสร็จแล้วก็ค่อยดูว่าปฏิบัติ ด, ดีหรือไม่ดี เ, ออเราไปตัดสินใจอืครับทีนี้ก็เลยเหมือนกับว่าเราก็บล็อกที่เราเคยทําปฏิบัติมาไว้เสร็จแล้วมันก็ไอของใหม่มันก็ไม่ไม่ไม่เหมาะครับก็คื อ, อจิตมันไม่ไม่ยอ ม, อม ก็เลยเกิดปัญหาขึ้นเกิดแง่แง่นะครับอ๋ท่านอาจารย์ที่ควบคุมปฏิบัติก็เลยแนะนำว่าที่เกิดฝึกมาทางหลวงพ่อประโมทก็มากราบท่านแล้วก็ขอคําแนะนํำอะไรครับหแต่ก่อประโมทไม่มีแนวหรอกเกษฎ์ไม่หลวงพ่อไม่เคยบอกเลยให้ไปเดินแบบนี้ให้ไปนั่งแบบนี้หลพสอนหลักของการปฏิบัติแล้วเราก็ต้องไปดูตัวเอง ว่าเราอยู่กับเครื่องอยู่ชนิดไหนอยู่กับอารมณ์ชนิดไหนแล้วสติเกิดแล้วก็เอาอย่างนั้นแหละมันไม่มีหรอกสายกายสายจิตนะเพราะว่าเวลาอย่างเราดูกายเนี่ยใครเป็นคนดูเพาจิตเป็นคนดูเวลาเราดูจิตจิตมันเปลี่ยนเพราะอะไรเปลี่ยนเพราะตาหูจมูกลิ้นกายกระทบอารมณ์จิตก็เปลี่ยนหรือจิตปลุงขึ้นมาจิตก็เปลี่ยนจิต สัญญาก็ทําให้จิตเปลี่ยนเวทนาก็ทําให้เปลี่ยนเพราะงันก็เนื่องกันหมดทั้งกายทั้งจิตเพราะงั้นมันไม่มีสายกายสายจิตอะไรที่หลวงพ่อสอนเรื่องจิตมากเลยแต่ก่อนนะก็เพื่อปรับจิตของเราให้มีสมาธิที่ถูกต้องก่อนเพราะบทเรียนที่พระพุทธเจ้าสอนมันมีสามบทศีลสิกขาจิตตศิกขาปัญญศิกขา ไม่เรียนเรื่องจิตให้ดีเนี่ยเราจะไม่มีจิต ท, ที่มีคุณภาพพอสําหรับการเจริญปัญญาแต่ถ้าเราพัฒนาจิตจะมีคุณภาพแล้วนีจิตเป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้บิกบานจิตมีความเบามีความนุ่มนวลอ่อนโยนคล่องแคล่วว่องไวซื่อตรงควรแก่การงานแล้วเนี่ยเราถือว่ามาใช้จิตอย่างนี้แหละมาดูรูปนามรูปเด่นก็รู้รูปนามเด่นก็รู้นามเพราะทั้งหมดจะแสดงไตรลักษณ์และการอย่างนี้ งั้นลูกสิทธิ์หลวพ่อนะั้นมีสารพัดเลยมีทั้งใช้สมาธินําปัญญาเข้าฌานก่อนเพราะมีออกจากสมาธิมาแล้วมาดูกายมีใช้ปัญญานําสมาธิมาดูจิตไปเรื่อยแลย้วก็สมาธิค่อยดีขึ้นดีขึ้นใช้สมาธิกับปัญญาควบกันก็มีจะมีน้อยอันนี้มีน้อยจะต้องชํานาญในสมาธิชํานาญในการดูจิตสองอย่างถึงจะเจริญปัญญาในสมาธิได้ไม่มีทุกแบบนะ แล้วดูกายก็มีดูเวทนาก็มีดูจิตก็มีดูธรรมทานุปัสสนาก็มีแล้วแต่จริตนิสัยของคนมันไม่เหมือนกัน<ม>ถ้าเราเข้าใจหลักของการปฏิบัติแล้ว เ, เราจะรู้ว่าอะไรเป็นหลักอะไรเป็นแค่รูปแบบหรือวิธีการของการปฏิบัติวิธีการนั้นหลากหลายมหาศาลนะหลักของการปฏิบัติมีไม่มากหรอกอย่างพระพุทธเจ้าสอนครูบาจารย์บอกธรรมะแปดหม่นสี่พันพระธรรมขันธ์มีเยอะแยะเลย แต่ธรรมะที่จําเป็นสําหรับคนคนหนึ่งมีไม่มากหรอกแต่ทําไมธรรมะ ม, มีตั้งเยอะก็เพราะจริตนิสัยคนมันแตกต่างกันเท่านั้นเองงั้นเราต้องมาดูตัวเองเรามีจริตชนิดไหนฟุงส่านไหมหรือว่าราคะมากหรือว่าโทสะมากเป็นอย่างไหนอะราคะโทสะโมหะตัวไหนแรงช่วงนี้จะดูโมหะครับเป็นลั ถ้าโมหะนะจะให้ใจสงบก็หายใจไว้มั น, นมันจะอัตโนมัติมาดึงถึงลมหายใจนั่นแหละนันมันเป็นกรรมฐานที่เหมาะกับพวกผโมหะมากครับหายใจไปรู้สึกตัวไปหายใจไปรู้สึกตัวไปหายใจไปจิตนี้ไปแล้วรู้ถ้าทําได้อย่างนี้นะจิตจะตั้งมั่นขึ้นมาสมาธิแปลว่าความตั้งมั่นสมาธิไม่ได้แปลว่าความสงบจิตจะตั้งมั่นอยู่ท่ามกลางความวุ่นวาย อะไรที่วุ่นวายรูปธรรมนามารมนั่นแหละทำงานวุ่นวายอยู่ทั้งวันเลยแต่จิตของเราตั้งมั่นเป็นแค่คนดูเท่านั้นเองไม่เข้าไปอินในปรากฏการ์ทั้งหลายนั่นแหละนะจิต ท, ที่มีสมาธิถ้อยถูกต้องมีสมาธิที่มากพอนะม่นจะเห็นทั้งรูปธรรม ท, ทั้งนางมารำนั่นแหละแสดงใจรักก็ช่วงที่ถามต่อลงพ่อถามเองเป็นพวกรักสุกรักสบายรักสวยรักงามหรือว่าชอบคิด ชอบคิดถ้าชอบคิดเรียกว่าพวกทิฏฐิจริตก <Okay. S 1> รรมาฐานที่เหมาะกับพวกทิฏฐิจริตคือการดูจิต <Okay. S 1> ดูไปเรื่อยเวลามันคิดไปใช่ไหมเดี๋ยวจิตกาสุขก็รู้ทันมันคิดไปจิตมีความทุกข์ให้รู้ทันมันคิดไปจิตโลภ ก, กิดโกรดกิดหลง <Okay. S 1> ให้รู้ทันให้มันคิดไปนะไม่ได้ห้าม <Okay. S 1> ให้มันคิดไปแล้วเราเห็นความเปลี่ยนแปลงใ น, ในใจไปเรื่อยนั่นแหละเรียกว่าการปฏิบัติละนะส่วนเวลาต้องการพักผ่อน ดูจิตดูใจไม่รู้เรื่องแล้วก็กลับมาอยู่ที่ลมหายใจให้จิตมีพลังมันมีกําลังดีแล้วนะก็ามาดูจิตเขาทํางานต่อตาหูจมูกริ้นกาใจให้มันกระทบอารมณ์ไปพอกระทบอารมณ์แล้วเกิดสุขเกิดทุกข์เกิดกุศลอกุศลที่จิตให้มีสติรู้ทันก็จะเห็นความเป็นไตรลักษณ์ที่แสดงอยู่กับจิตตลอดเวลาเลยการมาสักการณ์ครับหลวงพ่อนี้จะมาขอลาหลวงพ่อจะไปบวชนะครับเนาะ ครับแล้วก็จะขอเข้ามาหลวงพ่อด้วยครับกับสิงที่ไม่เจตนาและไม่เจตนาถ้ามีปฏิฆาจิตกับหลวงพ่อของหลวงพ่อเมตตาเออนะหลวงพ่อรับการเข้ามานะครัก็ถือโอกาสส่งกันบ้านหลวงพ่ออีกครั้งก่อนก่อนจะไปบวชด้วยเลยครับครับก็อยากให้หลวงพ่อช่วยเมตตาแนะนำก่อนจะบวชนะอย่านึกว่ามันจะดีนะครับวชอย่านึกว่ามันจะดี ไม่ได้ไปด้วยความโลภไม่ได้ไปด้วยความคาดหวังการบวชนั้นทำให้เรามีเวลาที่จะเรียนรู้ตัวเองมากขึ้นเท่านั้นแหละส่วนจะดีไม่ดีไม่เกี่ยวหรอกถ้าเราคาดหวังว่าบวชแล้วจะต้องจะง้นต้องอย่างนี้นั้นเราจะเครียดเกินยิ่งภาวนาแย่ใหญ่รักษาข้อวัดไปรักษาพระวินัยรักษาข้อวัดแล้วก็มีสติจะกวาดวัดก็มีสติจะบินธบดก็มีสติจะฉันข้าวก็มีสติ จะอาบน้ำจะขับถ่ายก็มีสติจะซักผ้าก็มีสตินะเจอคนที่ชอบใจไม่ชอบใจก็มีสติอีกอย่าไปยุ่งกับคนอื่นนะดูของเราคำนังส ก, การหลวงพ่อไม่ได้ส่งการบ้านมาปีกว่าจะส่งสภาวะหลวงพ่อเมื่อเดือนกันยายนนะฮะอื่นมาประมาณไปสี่กว่า มันมันเหมือนมันเห็นว่าไม่ไม่มีเร า, าเ อ, อ่ะเอแล้วก็พ่อแม่พี่น้องก็ไม่ใช่ของเราอ่ะเออแต่แเราอย่าไปยึดตัวนี้นะอย่าไปยึดในความคิดความเห็นตัวนี้มารู้สึกขึ้นมาเนะ่ก็ดีแล้วละ่ะแต่ว่ามันเป็นชว่วครั้งชั่วคราวต้องทำไงต่อครับหลงวงพ่อก็ดูกายดูใจต่อนะ ดูเขาทำงานไปเรื่อยเลยจนจิตมันแจ้งขึ้นมาว่าไม่มีเราเหรอกสิ่งที่มีมีแต่ตัวทุกข์ไม่มีตัวเราเหรอกเฝ้ารู้เฝ้าดูเรื่อยๆแล้วสติสปัญญาค่อยแก่กล้าขึ้นบางคนนะหลงแยกไม่ออกระหว่างความจริงสองชนิดคือสมมุติสัจจะกับปรามาสัจจะสมมุติจะสัจจะเนี่ยมีพ่อแม่พี่น้องครูบาอาจารย์มีเขามีเรามีคนมีสัตว์ ปรมัดสัจจาไม่มีพ่อแม่พี่น้องครูบาอาจารย์มีแต่รูปธรรมขนามธรรมาเราต้องปฏิบัติต่อสมมุติให้ถูกต้องตามสมมติปฏิบัติต่อปรมามัดให้ถูกต้องตามปรมามัดในใจเราเรารู้ว่าทุกอย่างว่างเปล่าจากความเป็นตัวเป็นตนแต่เรารู้ว่าเราควรทำตามสมมุติอย่างบางคนเนี่ยสุดโต่งไปเห็นทุกอย่างว่างเปล่านะแล้วทิ้งสมมติไป พระพุทธเจ้าคล้อยตามสมมุติมากเลยนะอย่างพระในพระวินัยจํานวนมากเลยท่านคล้อยตามสมมุติเลยอย่างพระขโมยเขาห้ามาศเท่ากับข้าวเปลือก ท, ทองคําน้ําหนักเท่าข้าวเปลือกยี่เมล็ดเนี่ยท่านให้ให้จับศึกเลยประชิกอันนี้นก็คล้อยตามโลกมาเพราะว่าตามกฎหมายของรัฐมคตตอนนั้นนะถ้าใครขโมย ของเขามีทรัพย์สินราคาเท่ากับทองคําน้ําหนักเข้าเปลือก20เม็ดเนี่ยประหารชีวิตท่านก็คล้อยตามโลกนะท่านก็คล้อยตามโลกอีกิเช่นไปกบิรพัฒน์ไปโปรดพ่อโปรดแม่นะโปรดญาติท่านบอก ท, ท่านท่านทําประโยชน์หลายอย่างประโยชน์ต่อสัตว์โลกประโยชน์ต่อญาติประโยชน์ต่ออะไรท่านไม่ใช่ไม่มีญาติอันนี้ท่านก็คล้อยตามสมบุญ น, นั่นเอง นี่พวกเราบางคนก็สุดโต่งไปนะทิ้งสมมตนะิเห็นพระพุทธลกูกพกไปเหยียบนี่ทองเหลืองเห็นแต่ทองเหลืองไม่เห็นพระตัวจริงนะเรียกว่าหลงสมหลงทิ้งสมมติไปนะหลงปรมัติคนอย่างนี้ไม่มีทางที่จะล้างกิเลสได้จริงเลยเพราะว่าแต่ทั่งเรื่องอย่างนี้ยังไม่รู้เรื่องเลยนะเพราะฉนั้นการที่เราเห็นพ่อแม่ลูกเมียอะไรไม่มนะีเราเห็นถูกต้องตามปรมัติแล้วนะ แต่เราก็ปฏิบัติตามสมมุติให้มันสอดคล้องไปมีหน้าที่เลี้ยงลูกก็เลี้ยงไปนะไม่ใช่ถือว่าลูกว่างเปล่าไม่ใช่ลูกเราไปหากีเดงถ้าอย่างนั้นไม่ถูกหรอกนะอะเชิญในมัส ก, การพ่อครงกันบ้านครั้งที่สามห่างกันเกือบสองปีแล้วครับเห็นความเปลี่ยนแปลงไหมฟังครับฟังซีดีครับ ไม่เห็นความเปลี่ยนแปลงของจิตใจไหมเห็นครับเห็นไหมว่ากายกับใจเป็นโคลานยังยังไม่เห็นเห็นไหมว่ากิเลสกับใจเป็นโคล้านเห็นครับเออถ้าอย่างนั้นถนัดดูจิตถนัดดูจิตเราก็ดูจิตเป็นวิหารธรรมหมายถึงว่าดูจิตเป็นหลักเอาไว้นะครับแต่บางทีมันไปรู้กายแล้วก็เห็นกายไม่ใช่เราเหมือนกันนะเราก็ดูจิตเป็นหลักไว้เป็นคนช่างคิดก็ต้องดูจิตเอากรรมฐานก็ลงอย่างนั้นของโยมก็ดูไปเรื่อย จมเห็นไหมว่าทุกอย่างที่ผ่านเข้ามาในใจเราเนี่ยชั่วคราดทั้งหมดเลยใช่ค่ะเนี่ยดูซ้ำๆอย่างนี้นะดูไปตลอดชีวิตก็ดูอย่างนี้แหละนะถึงเวลาที่มรรคผลจะเกิด้็เกิดของเขาเองแหละ ย, ยังดูไม่ชัดครับดูบ่อยๆนะอย่าจงใจให้ชัดนะ บ, บางวันก็ชัดบางวันก็ไม่ชัดอันนั้นเป็นปกติถ้าชัดตลอดเวลาเนี่ยจงใจดูจะตึงเครียดเกินไป ถ้าไม่เห็นเลยเนี่ยย่อหย่อนเกินไปถ้าชัดกริบเลยเนี่ยตึงเครียดเกินไปเพราะฉะนั้นบางวันก็ชัดบางวันก็ไม่ชัดเป็นเรื่องปกติของคุณที่ส่งกันบ้านเสร็จใหม่ๆนั่นแนหะใจลอยให้รู้ว่าใจลอยนะใจเป็นหนีไปก็รู้ว่าหนีใจหนีไปเนี่ยหย่อนไปกลัวใจจะหนีไปแล้วบังคับเอาไว้อันนี้ตึงไปเพนะรนะาะฉะนั้นการปฏิบัตินะไม่หย่อนไม่ตึงหรอกแต่ว่าจิตของเราเนี่ยเดี๋ยวก็หย่อนเดี๋ยวก็ตึงห้ามมันไม่ได้ มันหย่อนคือมันหลงไปเราก็รู้นะมันตึงคือเราไปบังคับไว้เราก็รู้ดูทุกอย่างไปสบายๆไม่รีบร้อนหรอกแต่ดูบ่อยๆตอนนี้ใช้ดูลงกับพุทโธมันถ้าเริ่มต้นมันมันจะถอนเลึกดึงเลแต่ว่าสักพักจะสักพักจ้คลายออกนะทาใช้อย่างนั้นถูกแล้วละใหม่ๆก็ต้องตึงไว้นิดนึง ราชการคุณหลวงนี้จะถามเรื่องพุทธลูปเข้าใจแล้วครับอืมแล้วก็เรื่องการปฏิบัติครับ เ, เขาไแล้ะผมมาส่งกัน บ, บ้านเรื่องจิตมันแยกออกจากโลกครับตอนนี้มันกลับมารวมกันแล้วครับหลวงพ่อ ม, <c oughs> มันมันไม่ได้แยกด้วยมาร์กไงแ <c oughs> ยกด้วยสติด้วยสมาธิอะไรเงี้ยนะครับ <c oughs> บางคนแยกด้วยปัญญาใช้ใพิจารณาเอานะอ่างนียไม่แยกจริงอ่ะเยันต่อไปนี้จิตรวมเข้าไปก็รู้ จิตแยกออกมาก็รู้ะจิตรวมเข้าไปแล้วมีความทุกข์เกิดขึ้นก็รู้นะจิตแยกออกมามีความสุขเกิดขึ้นก็รู้จิตรวมมีความไม่พอใจเกิดขึ้นก็รู้จิตแยกออกมามีความพอใจเกิดขึ้นก็รู้รู้ของเราไปสบายรู้ให้สบายนะอย่าให้ตึงสมมุติจะปรมาจิต้องแยกออกนะปฏิบัติต่อสมมุติให้ถูกต้องไม่งั้นปัญญามันล้ํมไป ถ้าปัญญาล้าหน้าเนี่ยแสดงว่าไม่ได้มีมากจริงอะเราไปดูพระพุทธเจ้าเสียท่านคล้อยตามโลกนะท่านบอกเลยว่าท่านไม่วิวาดกับโลกอะแต่โลกอะ่ะเช่าวิวาดกับท่านถ้าเราเป็นนักปฏิบัติเราตั้งหน้าวิวาดกับโลกเรื่อยไปไปไม่รอดหรอกนะทีนี้มันจับแล้วก็ปล่อยแต่ก่อนมันจับปล่อยเร็วมากครับที น, นี้มันจับแล้วก็ปล่อยเข<อ>าค่อยจับไหมครับนะเขาจะจับก็รู้เขาจะปล่อยก็รู้นะ นี้เออ่เกิดทางการมาราคะมากขึ้นไปครับอืการมาราคะมันก็เกิดจากการคิดนะเพราะงั้นถ้าราคาเกิดขึ้นเราอย่าไปคิดตามมันตามอย่าไปคิดตามมันไปมันจะยั่วให้เราคิดเราเพืก็อย่าไปคิดตามมันเราก็แค่รู้ว่ามันมีราคะถ้ามันทนไม่ไหวมันจะคิดใคิดถึงร่างกายของเราเลยคิดถึงร่างกายผมคนเล็บฟันหนังเลยนะ มันอยากคิดดีนักเหลือมันจะไปคิดถึงของสวยของงามเราพามันดูของไม่สวยไม่งามไปเลยนะ<ช>มันจะข่มราคาได้เป็นสมถะแล้วถ้าเเห็นของสวยงามแล้วเห็นจิตจิตมันเห็นแล้วครับหลวงพ่อคือรู้รู้แล้วว่าใจไหลไปอื ม, อมแต่เรามันไม่ตัดตรงนั้นนะครับมันก็ไหลยาวตามตามไปเลยนั่นกําลังของกิเลสมันแรงกว่าสติสมาธิปัญญาแล้วก็ฝึกซ้อมสติสมาธิปัญญาเราบ่อยๆ อยากให้ผิดศีลห้านะเป็นค า, ารวะเอาแค่ไม่ผิดศีลห้าเท่านั้นแหละข้อห้าลำบากอยู่กันครับช<ะ>่นี้ฮะศีลข้อห้าลำบากอยู่เหมือนกันครับข้อห้าไม่ลำบากหรอกเราไม่ยกใส่ปากมันไม่เป็นไรง่ายที่สุดเลยศีลข้อสี่นะลำบากปกากแล้เราไม่ทันจะจับขยับปากเลยมันขยับเองเลยครับใช่ครับแต่ข้อห้านี่สบายหรอกเพราะเราไม่ยกใส่ปากมันก็ไม่เข้าหรอก เขาถามแทนเพื่อนครับพอดีเพื่อนเพื่อนเขาก็ปฏิบัติครับแล้วเขานอนสมาธิครับหลวงพออ่ออยู่ดีเขาเห็นกายแยกออกมาครับออแยกมาแยกเข้าแยกออกแยกเข้าออกเขาตกใจครับหลวงพออ่อเขาไม่ทำยังไงก็มันจะแนะนํายังไงมันให้รู้ว่าตกใจให้รู้ว่าตกใ จ, นะจะใจมันรู้ว่าตกใจเมื่อไม่ตกใจ ก็นั่งดูไปนอนดูไปนอนดูต่อไปอยังไงก็นอนดูไปเรื่อยนะสุดท้ายบางทีร่างกายสลายหมดเลยนะเน่าเปื่อยตายไปก็ช่างมันเขาคุกคือตอนนั้นแหละเขาหลวงพ่อเขา ก, กลัวคือเขายังคิดว่าร่างกายของเราอยู่อแต่ดูไปเรื่อยๆสุดท้ายมันก็ยอมรับความจริงว่าร่างกายไม่ใช่เราหรอกมนะาสการ์ค่ะเพิ่งมาครั้งแรกค่ะอืก็ อ, อยากถามหลวงพ่อว่าที่ปฏิบัติอยู่ใช้ได้หรือเปล่าเพราะว่าเพิ่งจะปฏิบัติได้ไม่ไม่ นานไม่นานไม่สําคัญหรอกนะสําคัญว่าถูกไม่ถูกคแล้วถ้าทําถูกแล้วก็ขยันทํำมันก็ดีในเวลาสั้นสังเกตไหมว่ากากระใจเป็นขั้วลันดูออกไหมออแล้วว่าปฏิบัติไม่นานก็ทําได้ขนาดนี้ก็เก่งแล้วละ่ะค่ะคือว่าคือคือแบบว่าต้องมีระเบียบให้กับตัวเองระเบียบวินัยให้กับตัวเองใช่ใช่สําคัญนะค่ะเราพยายาม ใช้ชีวิตนะมีระเบียบมันคล้ายๆการคอนโทรลอินพุตอะแล้วเราก็ภาวนาไปเรื่อยเราจะพบว่าเอาพุต ท, ที่ออกมาแต่และ ว, วันนี่ไม่เหมือนกันมันมีตัวที่เออร์เอตัวที่เราบังคับไม่ได้อยู่นั่นแหละคือคำว่าอนัตตา ค, คืออยากถามงเพราะว่าเวลาสวดมนต์นี่มันฟุ้งมากๆเลยค่ะฟุ้งก็สวดจิตมันหนีไป เดี๋ยวหนีไปแว็บนึงเดี๋ยวหนีไปแว็บหนึ่งแว็บตลอดเลยค่ะแบบเราแล้วต้องส่วนมีเสียงด้วยออกเสียงไหมออกเสียงค่ะโอ้ออกเสียงแล้วก็ยังหนีนะค่ะส่วดอีกโอ้มันหนีบ่อยมากเลยค่ะมันไม่ใช่อะไรมันชอบอ่ะค่ะของโยมต้องคุยน้อยๆนะค่ะถ้าคุยเมื่อไหร่นะจิตจะกระโจนปุ๊บปๆ๊ไปเลยค่ะกลางคืนนี่เวลานอนนี่รู้สึกจิตมันหนีออกนอกอยู่เรื่อยเลยค่ะแต่ก็รู้สึกตัวใช่ได้ค่ะฝึกอย่างนั้นแหละห้ามมันไม่ได้ มันเคยชินที่จะหนีแต่ของโยมต้องคุยน้อยๆนะถ้าคุยเมื่อไหร่จะกระโดดเลยฟังธรรมะหลวงพ่อมาหลายเดือนแล้วแล้วก็ตอนแรกฟังแรกๆนี่งงไม่รู้เรื่องอะไรเลยเพราะว่าไม่เคยมีครูบาอาจารย์สั่งสอนแนะนำอะค่ะก็ฟังมาหลายเดือนพอฟังพอเข้าใจนิดๆถึงมีก็งงหลวงพ่อสอนไม่เหมือนใครหรอก ฟังหลายเดือนแล้วงงไม่เข้าใจเลยพอฟังทุกวันทุกวั น, ท, วนทุกวันก็เลยจับประเด็นได้ว่าเราเป็นคนฟุ้งซ่าน <c oughs> คิดมากใช่ก็หัดฝึกดูจิตตัวเองอะค่ะฝึกดูจิตตัวเองจิตมันก็แบบเป็นคนแบบโกรธโกรธ โ, โมโหง่ายแล้วก็มีราคะเยอะอืโทสะเยอะอืก็เลยจับดูตัวนี้มันง่ายดีค่ะเออแต่นั้นแหละแค่ ด, ดูตอนนี้ก็ดูไปเรื่อยๆดูตัวนี้ด้วยแถมมีตัวตัวอยาก ตัวอยากานะดูตัวอยากเช่นอยากพูดอยากปฏิบัติอยากโน้อนอยากนี่ะนะให้รู้ทันแล้วมีอีกตัวหนึ่งรู้สึกว่าเวลานั่งสมาธินี่นั่งไม่ค่อยจะได้เลยค่ะก็ดเดินเอาเดินเอาวัดบ้านทำโน้นทานี่แล้วก็เห็นร่างกายมันทำงานใช้ร่างกายเลยถ้าถ้ามันฟุ้งมากน ะ, ะดูจิต ด, ดูใจไม่ไหวแล้วนั่งสมาธิให้สงบก็ไม่ได้นะ หางานทําแล้วก็กระดุกกระดิกไปแล้วก็เห็นร่างกายมันทํางานไปเรื่อยๆค่ะเดี๋ยวมันก็สงบได้หลวงพ่อมีอะไรแนะนําคะครรู้ทันตอนที่มันอยากพูดอ่ะนะเดี๋ยวนะ <c oughs> คือ ม, มันพูดไปแล้ว <c oughs> เออมันจะกระโจนตัวนี้ที่หลวงพ่อบอกจิตมันจะกระโดดเลยพูดไปแล้วแล้วถึงรู้ว่าเรา <c oughs> พูดมากหลวงพ่อไม่ได้บ้านนะ <c oughs> <c oughs> เชิญกลับบ้าน